โทษของการเป็นคนลวงโลก 1. นึ่งทุกทางใจจิตที่เป็นปกติสุขไม่อาจคิดพูดโกหกมดเท็ ok การโกหกมดเท็ ok ได้ต้องใช้จิตที่เป็นทุกข์เท่านั้นเพราะไหนจะต้องพยายามแต่งเรื่องขึ้นใหม่ไหนจะต้องออกแรงบิดความจริงอันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ด้วยปากอันเล็กกระจ้อยร่อยแม้แต่การกลับซ้ายให้กลายเป็นขวาเพียงนิดเดียวก็อาจพาคน หลงตามคำหลอกของเราไปลงเหวได้แล้วทุกคำมุสาที่นึกว่าเล็กน้อยจึงอาจก่อให้เกิดมหันตภัยใหญ่หลวงเกินกว่าเราจะคาดเดาได้การรู้ตัวว่าโดนหลอกเป็นความทุกข์ของผู้ถูกหลอกถ้าเราเป็นคนหลอกเขาใจของเราจะเป็นสุขได้อย่างไรการสังเกตเข้ามาในตนเองจะทำให้เห็นทุกขเป็นขณะขณะอย่างชัดเจนทุกเริ่มตน้นตั้งแต่เมื่ออยากหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อ สังเกตเข้ามาในตนเองจะรู้สึกถึงความฝืดฝืนนั่นเพราะธรรมชาติของความจริงมีเหตุผลการอยากโกหกก็คือการอยากทำลายเหตุผลซึ่งข้ากับสำนึกแบบมนุษย์ที่ต้องการเหตุผลตามจริงทุกจะทวีตัวขึ้นเมื่อตัดสินใจหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นเหมือนใจถูกคลุมไว้ด้วยฝ้าหมอกมายานั่นเพราะ การตั้งใจแต่งเรื่องหลอกคนอื่นก็คือการพลิกเอาตัวเองออกจากความจริงอันสว่างไปสู่ความเท็จอันมืดจึงไม่มีทางที่ใจจะสดใสปลอดโปร่งไปได้ทุกจะทวีตัวขึ้นอีกเมื่อพยายามคิดคำลวงให้คนอื่นหลงเชื่อสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นคล้ายมีตัวเราที่รูปร่างหน้าตาแตกต่างไปจากเดิมกำลังดิ้นพลานพยายามจินตนาการ จับต้นชนปลายความจริงกับความเท็จให้ต่อติดกันความเท็จจริงการที่มนโนภาพของตัวเราแตกต่างจากเดิม ร, ราวกับแปลกไปไม่ใช่ตัวเราก็เพราะขณะจิตนั้นเราไม่เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่ตัวจริงตามที่กำลังเป็นทุกจะทวีตัวขึ้นถึงขีดสุดเมื่อต้องฝืนขยับปากหลอกลวงคนอื่นให้หลงเชื่อสังเกตเข้ามาในตนเองจะเห็นการออกแรงแค้นคา แตกต่างจากเมื่อพูดความจริงอย่างสบายอารมณ์นั้นเพราะเรารู้ว่าความจริงเป็นเส้นตรงแต่จะอาศัยปากของเราเข้าไปดัดเส้นตรงนั้นให้เบี้ยวบิดผิดรูปแน่นอนว่าจิตใจและปากคอของเรายอมเบี้ยวบิดผิดตามไปด้วยไม่อาจตรงอยู่ได้ทุกจะไม่จบโดยง่ายแม้เมื่อหลอกลวงให้คนอื่นหลงเชื่อได้สำเร็จสังเกตเข้ามาในตนเอง จะเห็นเป็นความรู้สึกเหมือนมีสองภาคภาคหนึ่งรู้ความจริงอีกภาคหนึ่งรู้ว่ามีความลวงซ้อนความจริงขึ้นมาอีกทั้งต้องคอยปกปิดให้ดียิ่งภาคแห่งความลวงหนาขึ้นกลบภาคแห่งความจริงมากขึ้นเท่าใดเราจะยิ่งรู้สึกคล้ายเกิดหน้ากากผิดบังหน้าตาของตนมากขึ้นเท่านั้นจนวันหนึ่งสองกระจกเงาแล้วอาจรู้สึกครึ่งจริงครึ่งฝันถามตัวเองว่า นี่ใบหน้าของเราแน่หรือในทางปฏิบัติแล้วการหลอกคนได้มักทำให้ภูมิใจเพราะหลงนึกว่าตัวเองฉลาดและเห็นว่าคนอื่นโง่ดังนั้นทุกที่เกิดขึ้นจากการฝึกเป็นนักแต่งเรื่องจึงไม่ปรากฏชัดในช่วงต้นวัยต่อเมื่อหลอกคนอื่นจนกระทั่งจิตทำงานเป็นอัตโนมัติคล้ายหลอกได้แม้กระทั่งตัวเองให้เชื่ออะไรผิดผิดหลงตัสินใจโ ง, ง, ง, ง่และด้วยเหตุนี้เอง เราจรึงตระหนักว่าที่สุดของการเป็นคนลวงโลกก็คือการพาตัวเองไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งที่เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนจากการไม่รู้จักตนเองเสียแล้ว 2. การสั่งสมบาปเมื่อทราบแล้วว่าความมืดเป็นเครื่องหมายของบาปเราก็สามารถสำรวจใจตนเองแล้วทราบได้ว่าการโกหกเป็นบาปเพราะไม่มีการโกหกครั้งใด ที่ทำให้จิตใจของเราสว่างขึ้นมีแต่จะหมุนหมองลงกับทั้งไม่มีกระใจคิดจะทำอะไรในทางที่ดีในทางที่เจริญเอาได้เลยแรงผลับดันให้โกหกได้เต็มปากเต็มคำคือโลภะโลภะต้องชนะความอยากสบายใจจึงขับให้เราก่อบาปด้วยการหลอกลวงแท้จริงแล้วมนุษย์เราต้องการความสบายใจเหนือสิ่งอื่นใดแต่พระอยากได้สิ่งที่ต้องการมากเกินไป หรือจำต้องเห็นแก่สิ่งอื่นยิ่งไปกว่าใจตนจึงยอมทำลายความสบายใจด้วยการพูดคำเท็จที่น่ากลัวก็คือบาปสามารถสั่งสมตัวได้นั่นหมายความว่ายิ่งโกหกมากขึ้นเท่าไหร่ใจก็ยิ่งอึดอัดทรมานมากขึ้นเท่านั้นมองไปทางไหนความจริงทั้งหลายดูน่าบิดเบือนให้ผิดไปจากเดิมไปหมดแม้ขยับปากเอาตัวรอดหรือสร้างภาพให้ดูดีเช่น คนที่บ้านถามว่าไปไหนม า, ไไนมาความจริงแล้วเราไปสังสรรค์เฮฮากับเพื่อนฝูงแต่เราพลาดพูดโกหกว่าไปช่วยงานสำคัญที่นั่นที่นี่ปากของเราก็ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องดัดจิตให้เบี้ยวเบิดผิดรูปแล้วเพียงคำลวงเล็กๆ ก, ก็จุดชนวนความคิดไม่ตรงไปตรงมาได้ต่อไปเมื่อต้องตอบแบบเสียภาพลักษณ์นิดเดียวระบบความคิดของเรา จะพยายามสร้างคำพูดในทางรักษาภาพทันทีโดยไม่คำนึงว่าภาพดีๆจะมีความจริงปนอยู่ด้วยมากน้อยเพียงใดความคิดในการปั้นน้ําเป็นตัวจะลดความฉลาดในการอธิบายให้คนเข้าใจความจริงทั้งที่พูดความจริงได้โดยไม่ต้องให้คนฟังเสียความรู้สึกแต่เพราะมัวไปเชื่อว่าคืนพูดความจริงก็ผังเท่านั้นเลยเท่ากับการปิดโอกาสฝึกให้ใจซื่อฝึกให้คิดฉลาด น้อยคนจึงสามารถพูดแบบให้เกิดเรื่องดีๆโดยไม่ต้องแต่งเรื่องหลอกๆขึ้นมาฉะนั้นเพียงไม่ตั้งใจไว้ก่อนว่าจะเว้นขาดจากการโกหกก็นับว่ามีโทษแล้วเพราะเมื่อถูกตั้งเงื่อนไขให้เกิดโลภะอย่างแรงกล้าความอยากสบายใจก็ลดระดับลงแทบไม่มีเหลือยังผลให้สติคลาดเรียนลงเปิดช่องให้โลภะเข้าครอบงำจนโง่เขลาลงเนื้ว่าบาปแห่งการโกหก เป็นสิ่งที่สมควรทำยิ่งกว่าบุญแห่งการพูดความจริงให้เกิดประโยชน์ 3. ความเป็นอยู่ที่เลวร้ายไม่มีความรู้สึกอึดอัดอันใดย้ำแยยไปกว่าความรู้สึกอึดอัดอันเกิดจากการโกหกเพราะแบบข้ออื่นยังทำไปแบบมีเหตุผลให้โล่งใจกันได้เช่น เราอาจฆ่าจโจรโฉดตามหน้าที่ของตำรวจเราอาจโกงใครเพราะเขาโกงเราก่อนเราอาจกินเหล้าเพื่อไม่ให้คนเรียนเสียใจแต่ถ้าต้องฝืนใจโกหกครั้งหนึ่งเราก็ต้องฝืนทําตัวเป็นปฏิบัติกับความจริงอันเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่หนึ่งครั้งเมื่อสั่งสมมากแล้วในที่สุดทั้งอกทั้งใจก็เต็มแน่นไปด้วยความอึดอัดคลาดเครียดและสับสนอยู่กับตนเองว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนตื่น หรืออันไหนฝันเห็นความจริงเป็นสิ่งไม่น่าเชื่อกับทั้งมีนิสัยดื้อด้านไม่ยอมรับความจริงอย่างน่าสลดสังเวชเมื่อบาปจากการโกหกถูกสังสมมากแล้วคนโกหกยอมเลื่อนฐานะเป็นคนหลงโลกดูเพิ น, เ, พ น, เ, พนเหมือนโกหกได้อย่างน่าตายคิดแต่งเรื่องได้เป็นตุเป็นตะในเวลารวดเร็วหลอกได้แม้กระทั่งเครื่องจับเท็จซึ่งสะท้อนว่า สามารถสะกดจิตใจตนเองให้สำคัญไปว่ากำลังพูดเรื่องจริงอย่างเป็นธรรมชาติแต่นั่นแหละคือความผิดธรรมชาติอย่างใหญ่หลวงจนเกาะให้เกิดกระแสในตัวที่น่าระแวงไม่ชวนให้อยากคบอยู่ใกล้แล้วอึดอัดเหมือนอีกาที่ซื้อกับใครไม่เป็นหรือเหมือนลิงที่พร้อมจะล้อเลียนเราทั้งต่อหน้าและลับหลังการโกรหกหลอกลวงแต่ละครั้งถือเป็นการปิดเบือนความจริง ซึ่งมีผลสะท้อนให้ความจริงของเราปิดเปี้ยวไปด้วยอาจจะอยู่ในรูปของการโดนใส่คล้ายหรืออาจจะอยู่ในรูปของการถูกเข้าใจผิดคิดให้ดีก็สมกันแล้วไม่มีทางที่เราจะบังคับให้ใครต่อใครพูดถึงเราตรงตามความเป็นจริงได้ไปทั้งหมดเท่าเท่ากับที่ตัวเราเองก็ไม่ได้พูดถึงตัวเองตรงความจริงทุกครั้งเช้นที่เป็นกันมากก็คือโกหกเพื่อรักษาหน้าเม่ยอมรับผิดเป็นตน้น จิตของคนโล่งโลกย่อมมีบิดเบี้ยวกลับกลอกไปมาแม้แต่เจ้าตัวเองก็ควบคุมไม่ได้ว่าจะให้ชอบอะไรหรือรักใครคล้ายตกอยู่ในห้วงฝันหลอนที่โยกเยกไหวเอ็นอยู่เกือบตลอดเวลาจิตที่บิดเบีย้ยวย่อมเหมาะกับพบใหม่ที่เบี้ยวบิดเต็มไปด้วยความหลอกหลอนให้ผิดหวังวันนี้นึกว่าดีพรุ่งนี้กลายเป็นร้ายให้ช้ำใจน่าอึดอัดระอา ถ้ามีวัสนาพอจะเกิดใหม่ในโลกมนุษย์ก็ย่อมตกอยู่ในภาวะผันผวนไม่แน่นอนอย่างรุนแรงหากตายเยี่ยงคนลวงโลกผู้ไม่อิ่มไม่พอกับการปั้นน้ำเป็นตัวแต่ยังพอมีบุญพยุงไว้ไม่ให้ร่วงหล่นถึงนรกก็ อ, อาจไปสวยพบของพวกหาสัจจะได้ยากในระดับเดรัชานภูมิเช่นออกาหรือลิงป่าบางจำพวกเป็นต้น แต่หากตายเยี่ยงคนหลวงโลกที่ดีแต่เยาอหยันเห็นคนอื่นโง่ ก, กว่าตนเสมอก็จัดว่ามีความเหมาะกับสภาพความเป็นอยู่ที่ถูกกดขี่อย่างน่าสพึงกลัวดังเช่นนรกภูมิสถานเดียว